ได้เวลาฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันคนจะต้องมีบุญด้วยนะต้องมีบุญไมงานก็ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าการได้ฟังพระสัพธรรมก็เป็นสิ่งที่หายากในโลกหายากที่สุดในโลกเลยนะไม่ใช่ว่าจะหาฟังง่ายๆนะ ธรรมะของบูตเจ้าเนี่ยมันสอนเรื่องของเราเนี่ยละ่ะเรื่องชีวิตของเราเรื่องตัวของเราโดยเฉพาะเรื่องจิตใจของเราเองให้จิตใจของเราเนี่ยมันไม่อยู่เฉยๆนะเดี๋ยวมันไหลมันไหลไปทางโน้นทางนี้ มันเพลินท่านใช้คําว่ามันเพลินเพลินออกไปเพลินออกไปเรื่องข้างนอกท่านใช้คําว่านันทินันทิแปลว่าเพลินในนันทินั่นก็จะมีราคะด้วยนันทิราคะกําหนัดยินดีเปิดเพินไปในความกําหนัดความยินดีความพอใจตามอำนาจของตัณหาแหละ อำนาจของลาคะทา่านว่านันทิลาคะเพลินไปกับสิ่งเหล่านี้เรื่อจิตของเรามันก็เลยไม่อยู่กับตัวมันเพลินออกไปมันเผลอมันเพลินมันไหลออกไปออกไปก็มีแต่เรื่องข้างนอกไม่มีเรื่องอะไรอะ มันก็เรื่องตามอานาจของความหลงของเรานี่หละมันก็มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าเราแบบแบบหลงหลงเป็นเราชนิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงอะ่ะเป็นเราแบบเหมือนเราตายไม่เป็นอะ่ะหนอนแน่นเหนียวแน่นแบบกอดไว้ยืดไว้แล้วก็มาทำให้เราเป็นทุกข์ คือหลงว่าเป็นตัวเราชนิดเหนียวนน่นมั่นคงเหมือนกับจะตายไม่เป็นคล้ายๆอย่างนั้นแหละนะเนี่ยเขาใช้คาว่าลืมตายลืมคิดไปว่าเราต้องตายหลงไปยึดนั่นยึดนี่อยาก ให้เป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยความอยากอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องนี้ความอยากทั้งนั้นเลยอำนาจของตันหะท่นวาแต่เวลามันอยากขึ้นมามันไม่ได้บอกว่ามันเป็นตันหานะมันบอกมันห่วงเราอย่างนั้นสิเป็นสุขอย่างนั้นสิดีโออย่างนั้นแหละดี ต้องได้นั่นได้นี่ดีอย่างนี้เราจึงมีความสุขนะอย่างนี้ละมันดีสำหรับเราเหมาะสำหรับเราเออมันว่าไปนะตัณหามันพาว่าแต่มีบางทีมันก็ตรงกับความเป็นจริงก็มีไหมว่ามันถ้าเราไม่หลงผิดนะมีเราเข้าไปแบบหนานแน่นเหนียวแน่น มันก็คือว่าเออคนเราบางอย่างคนเรามีชีวิตยอยู่มันก็ต้องมีเครื่องใช้ไม้ส้อยมีอาหารการกินมีเสื้อผ้ามีที่อยู่ที่อาศัยมีเครื่องอำนวยความสะดวกถ้ามันเข้าใจว่าเป็นเครื่องใช้อย่างนี้มันไม่เป็นไรนะหมายความนี่ปัญญามันพอเข้าใจว่าเออเดี๋ยวเราก็ตายละถ้าเราตายไปสมบัติเหล่านี้ก็ต้องทิ้งอะ่ะ ต้องพัดพลากจากมันไปอ่ะเพราะนั้นตอนที่เราใช้สอยอยู่นี่เราก็เป็นเจ้าของชั่วคราวเยอะยเป็นเจ้าของชั่วคราวเพราะนั้นเราก็ไม่ไปยึดมากใช้สอยไปมันเสียก็ซ่อมแซมให้มันใช้การใช้งานได้เนี่ย น, นี้อันหนึ่งทำด้วยปัญญา อีกอันหนึ่งทำด้วยความหลงทำด้วยตัณหาทำด้วยอุปาทานมันก็เลยยึดมากมันก็เลยเป็นทุกข์มากถูกเ บ, บีครคันทำให้ลุ่มร้อนทีนี้โลกที่เราอยู่มันก็หลงไปด้วยกันินี่ทำไปด้วยกิเลสทำด้วยตัณหาอุปาทานเหมือนกันมันก็เลยทุกข์ อยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ถ้าใครมีบุญวาสนาบรารมีก็นึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมามันนึกขึ้นมาได้มีความศรัทธาขึ้นมาอยากฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ใครที่บุญยังไม่มีกรรมมันกั้นไว้คิดไม่ออกคิดจะไปฟังธรรมนี่ไม่ได้เลยได้ยินว่าไปฟังธรรมเหมือนอะไรมันจะมาทิ่มตำจิตใจ รู้สึกว่ามันสแสลงสแสลงขึ้นมาในใจถ้าไปหาอยู่หากินหาเงินหานหาทองพักผ่เที่ยวเตดูหนังดูละครเออรู้สึกมันน่าจะดีกว่าคนที่มีบุญก็เออไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าจะได้ข้อคิดจะได้เข้าใจเรื่องของตัวเองธรรมะนี่เป็นเรื่องของตัวเอง ไม่ใช่เรื่องอะไรในอากาศไม่ใช่เรื่องสูงส่งนอกตัวเราเรื่องตัวเราชัดๆของเราจริงๆเหมือนกับว่าธรรมะก็คือต้องให้มารู้เรื่องของเราจริงๆแล้วนี่เราชั่วคราวเราน่ยชั่วคราวเฉยๆไม่ได้เป็นเราตลอดไปหรอกเราชั่วคราว อย่างชาตินี้ก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็จากโลกใบนี้ไปแล้วเหมือนเรามาที่นี่เรามาอาศัยธรรมนี้เสร็จแล้วเราต้องออกไปจากธรรมนี้เรามาอาศัยชั่วคราวเรามาโลกนี้ก็มาชั่วคราวเดี๋ยวเราก็จากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็เบาลง ไม่รู้จะไปดิ้นล้นอะไรมากมายเอาแค่พอมีชีวิตยอยู่ได้แต่ว่าให้จิตของเรานะ่มันมีความสงบรมเย็นมีความสุขความสบายไม่มีทุกข์เราทำอะไรก็ตามเบื้องหลังการกระทาของเราต้องการความสุขอยากให้ตัวเองมีความสุข ก็เที่ยวทานูน่นทำนี่แต่มันทำด้วยความหลงหลงว่าเป็นเราตลอดไปหลงว่าเป็นเราชนิดที่ตายไม่เป็นนี่หละมันหลงมากแต่ถ้าเราเตือนตัวเองอยู่ตลอดเลยนะโอ้เดี๋ยวก็ตายแล้วนะเดี๋ยวเราก็จากโลกใบนี้ไปแล้วเอาใครจะว่ายังไงก็ว่าไป เราก็ตายไปเขาก็ตายไปเหมือนกันถ้าใครทํากรรมไม่ดีมันก็ไปไม่ดีถ้าทํากรรมดีก็ไปดีเอาเราทํากรรมดีดีกว่าถ้ายังไม่พ้นทุกข์กันไปดีไว้ก่อนนี่ถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็เข้ามาหาแก่นสารสาระของชีวิตแล้วที่นี่ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ก็เอาก็สแสวงหาได้ แต่สแสวงหาพอให้มีชีวิตอยู่ได้ให้รู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่จําเป็นต้องสแสวงหาปัจจัยสเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่แล้วคุณค่าของชีวิตคืออะไรล่ะเกิดและตายไปอย่างนี้เหรอหาเงินได้เงินมาใช้อะไรอ่ะใช้ใจ่ายซื้อบ้านเรือนสร้างบ้านเรือน เป็นที่อยู่อาศัยยุบยารักษาโรคเสื้อผ้าแพรพันเครื่องนุ่งหม่มอาหารการกินแล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วพอไหมถํามันพอมันก็เบาลงไปเอาพอมีชีวิตอยู่ได้ไม่หลงมากนี่ทำด้วยความเข้าใจ สัตว์มันก็หาอยู่หากินนะหาอยู่หากินหาด้วยความยากลำบากแล้วก็พักผ่อนหลับนอนสืบพันแล้วก็ตายไปเดี๋ยวนี้เขาค้นคว้าวงจรชีวิตของสัตว์ เขาออามาทำเป็นสารคดีนะโอ้ยวงจรของมันแปลกๆมันทำอะไรได้ตามธรรมชาติของมันมีแปลกๆไม่ว่าจะเป็นมแมลงก็ตามสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กแต่เราดูไปแล้วเรามันคิดโอ้คนที่เขาคนขา้นคว้าอย่างนี้เขาจะรู้ไหมว่าสัตว์เหล่านี้ มันมาตามกรรมแล้วไปตามกรรมธรรมชาติทำให้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาศึกษามีมาแมลงบางชนิดนะเยดูมแมลงปอมแมลงปอเฉยๆยานี่นะเขาบอกมันบินสูงขึ้นไปถึงยอดเขาเลยนะเขาเขาสูงนะแต่ไปกับลมนะ เวลาความร้อนมันบนพื้นโลกมันร้อนมันก็เกาะเกาะลมลมมันลอยขึ้นมันอาศัยลมลอยขึ้นไปเสรามงทีมันก็อาศัยลมลอยไปไกลเราบอกว่ามันไกลถึงเจ็ห้ากิโลว่าแล้วก็อาศัยลมกลับมาที่เดิม พอถึงฤ ด, ดูที่เขาเกี่ยวข้าวอันนี้เขาใชาเนี่ยญี่ปุ่นมันก็เกี่ยวข้าวมันจะกลับมากลับมาเพราะที่นั่นมันมีทุ่งนาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วมันก็จะมีฝนตกมีน้าขังกมันก็จะไปไข่ในน้ำแล้วก็เป็นตัวเป็นอยู่ในน้ำอาศัยน้ำจากนั้นก็จเจริญเติบโตแล้วก็เป็นมแมลงปอขึ้นมาขึ้นไปโอ้เนี่ย มันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติของมันเหมือนคนเราถ้าไปเกิดเป็นมแมลงปองก็เป็นอย่างหนึ่งมาเกิดเป็นสัตว์ที่เรียกว่าคนสัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์รูปร่างก็ต้องสองขาสองแขนมีศีรษะหนึ่งในนั้นก็ประกอบโอ้ยซับซ้อนน่าดูเลยนะเครื่องยนต์นกลไกสารพัด ระบบประสาทส ม, มองเส้นเอ็นกระดูกกล้ามเนื้อแล้วทุกอย่างก็ทำงานกันเราอยู่เฉยเฉยมันไม่ได้อยู่เฉยเฉยนระ่างกายเนี่ยมันทำงานของมันไปไอจิตของเราเนี่ยแทนที่จะเข้าใจว่านี้แหละมันได้มาด้วยระบบของธรรมชาติ ระบบของกรรมเท่านั้นแหละมันทำงานได้เองไม่ใช่เราไปสั่งมันนะมันทำงานได้เองสุดท้ายมันต้องตายร่างกายมันก็เลยเหมือนกับเรนเครื่องใช้นะเครื่องชายไม้สอยชนิดหนึ่งอาศัยอยู่เหมือนจิตเนี่ยจิตตัวจิตตัวนำ ม, มาทำเนี่ยมันมาอาศัยอยู่ สุดท้ายก็ต้องทิ้งไปไอตัวจิตยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกโอ้โหมันสั่งสมกรรมเอาไว้เยอะแยะเลยนะเวลาทํากรรมแต่ละครั้งเนี่ยมันมีตันหามันมีความหลงอะ่ะอวิชานี่แหละตัวหลงนี่แหละหลงว่าเป็นเราเนี่ยเป็นหัวหน้าเลยนะมีเราแล้วก็อยากทําอะไรเพื่อตัวเรามันก็จะปรุงแต่งขึ้นมาก่อนนะมันปรุงแต่งเพื่อจะทําเพื่อตัวเรา แล้วก็มีเจตนาที่จะทำอะไรเพื่อเราอยู่ในนั้นตัวเจตนานี่แหละเป็นตัวกรรมมันก็เก็บเอาไว้ในจิตเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้อไวอไวโอ้ยยิงกับคอมพิวเตอร์เลยนะข้อมูลเพียบเลยอยู่ในจิตเนี่ยข้อมูลในอดีตถูกเก็บเอาไว้ไม่มีวันเต็มเลยนะ เยอะแยะไปหมดเลยทั้งดีและไม่ดีคือหลงว่าเป็นเราเมื่อไหร่มันเก็บทันทีถ้ามันรู้ว่าไม่ใช่เราอะแช่ทำไปตามความเหมาะสมเฉยๆมันไม่เก็บนะถ้าใครรู้ว่าเอ้ยเนี่ยมไม่มีเราไม่ใช่เราแต่ต้องเห็นด้วยปัญญายาณด้วยน ะ, ะมันจะไม่เก็บคือมันไม่ใช่เรามันไม่เก็บ แต่ถ้าหลงว่าเป็นเราเมื่อไหร่เก็บเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ยางอันนี่นู่นโกรธขึ้นมาเราโกรธมันก็เก็บไว้ เ, เราชอบใจดีใจหัวเละเาะมันก็เก็บไว้พอใจมันก็เก็บไว้ไม่พอใจมันก็เก็บไว้พอมันเก็บไว้แล้วก็ทีนี้เก็บไว้ในวิญญาณในจิต แต่เวลาจะไปเกิดนะ่ะเวลามันไปทํางานนะ่ะเขาเรียกว่าวิญญาณตัวกรรมก็ผักดันประมวลเข้ามาเรียบร้อยแกต้องไปเกิดกับพ่อแม่คู่นั้นไม่ใช่คู่นี้ก็ไปเกิดไม่ได้ด้วยนะกรรมมันจะประมวลเข้ามามันจะสั่งการผักดันส่งมาเกิดทีนี้พอมาเกิดเป็นคนแล้วนะทีนี้ รูปร่างหน้าตาก็เป็นอย่างคนผมก็ต้องขึ้นบนหัวไม่เหมือนสัตว์นะมันก็จะเป็นแบบคนถ้าใครเคยชอบเมตตาต่อสัตว์ชอบช่วยเหลือสัตว์ไม่ทำร้ายทำลายสัตว์ร่างกายก็แข็งแรงมีเมตตาต่อสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์อายุก็ยืนโรคภัยใครเจ็บก็น้อยแต่ใครประหารประหารสัตว์อื่นมาก โลกภัยใล้เจ็บก็มากชีวิตก็สั้นเนี่ยอำนาจของกรรมมันบัญชาการอยู่มันบงการเนี่ยลึกๆึกนะลึกะมันมีกรรมคอยควบคุมถ้าใครเข้าใจเรื่องกรร ม, มเนี่ยมันจะไม่สงสัยละยิ่งจิตของเราเนี่ยพอมาเกิดแล้วได้ร่างกายแล้วคุณสมบัติของจิตก็เกิดจากการสะสมกรรมนั่นแหละ ถ้าใครชอบโกรธบ่อยๆมันก็ขี้โกรธเป็นคนขี้โกรธคนขี้โกรธนี่รูปร่างหน้าตาก็ไม่ค่อยสวยงามนะเวลามาเกิดอเวลาคนโกรธนี่หน้าตามันไม่สวยหน้าตาบูดบูดบึ้งบึง้งเออนี่ยแะสังสมกรรมมาธรรมชาตินี้แล้วมาสังสมกรรมประเภทนี้อีกอ๋อติดตัวต่อไปอีก แต่ถ้าใครพยายามรู้รู้ไว้รู้ไว้ไม่ทำตามมันไม่เชื่อมันโอยนี่มันมาจากกรรมเนี่ยเออออย่างเงี้ยมันเป็นวิบากเป็นผลของกรรมมาใหนผลชาตินี้แล้วโอ้ยเลิกเลิกไม่เอาไม่เอาคุมจิตไว้ไม่ทำตามมันเนี่ยจิตเราเริ่มคลายออกแล้วนะมันไม่ไปยึดมันไปยึดว่าความโกรธเป็นเราเราก็เลยไม่โกรธตามมันพอไม่โกรธตามมันมันไม่เก็บเราที่นี่มันไม่บันทึกไว้ พอไม่ทึกไว้มันก็ลบออกล้างออกล้างออกเวลาโกรธป๊บ๊ป บ, ปบขึ้นมาไม่เอาไม่เอาไม่เอ า, เอานี่แหละผลของกรรมเราเคยทำเอาไว้มันก็เลยสร้างความโกรธขึ้นมาเวลามันโกรธขึ้นมาเนี่ยมันอยากมันอยากแสดงออกตุ๊บตุ๊บต บ, ตบขึ้นในจิตนะจิตมันก็จะปรุงละเริ่มพูดในจิตแล้วนั่นเนี่ยเริ่มว่าออกไปเริ่มทำหนี้คนอื่น ว่าคนอื่นในใจถ้าหาวสติไม่ดีคุมไม่อยู่มันก็แสดงความโกรธออกมาเราไว่าเขาล่างกายก็แสดงออกตึงตึงตึงตัง ต, ง ต, งตังปึงปังผูจากระชกผูจากระแทกประชดประชันนี่และอำนาจของความโกรธเก็บไว้แล้วที่นี่การกระทำแล้วจิตมันเก็บนะที่นี่เนี่ยเก็บไว้เป็นกรรมกรรมกรรมมันเก็บปั๊บ ปับป๊บปับันทึกเอาไว้ละทีนี้ละไม่ได้ละทีนี้เพิ่มกรรมไม่ดีขึ้นละตัวเองก็ต้องไปเสเวยด้วยนะต้องมีความทุกข์ทรมานตายเพราะความโกรธก็นูนไปตกนรกนู่นละนรกก็เป็นนรกที่รุ่มร้อนเลยนะรุ่มร้อนไฟเผาคือมันต้องไปเกิดในที่ ท, ที่มันทุกข์ทรมานอะ่ะพอมันความร้อนภายในจิต จิตมันพังคับไปกรรมมันบังคับไปพอกลับมาเกิดเป็นคนนานนะกว่าจะมาเกิดเป็นคนอ่ะไม่ใช่ว่าปุ๊บเกิดเป็นคนอย่างเก่าอย่างเก่าไม่ใช่นะขึ้นอยู่กับจิตนี่แหละมันสั่งสมกรรมประเภทไหนมันก็ไปไปเสร็จแล้วก็เนิ่นช้าแหะทีนี้โอ้ยวนเวียนในตัวที่พาเนิ่นช้าก็นี่แหละตัวตัณหานี่แหละตัวมานะตัวทิฏฐิ ไอ้พวกที่คับแคบชนิดมีตัวตนตัวตนมากๆนี่แหละใครมีอัตตาสูงสูงนั่นแหละไปต่ําแน่นอนแล้วเพราะมันหลงหลงแล้วก็ทําเพื่อตัว ต, วตนทําเพื่อตัวเรานี่มีตัณหาตัวเรากำลังคัญตนว่าดีว่าเก่งแม้แต่สําคัญตนว่าด้อยสําคัญตนว่าโง่สาคัญตนว่าไม่ฉลาด สำคัญตนมาสู้เขาไม่ได้น้อยเนื้อต่ําใจเอาอีกนั่นละนั่นละตัวมานะตัวสําคัญตนผิดผิดก็พาไปตําอีกแล้วต้องมีสติรู้ทันอย่างเดียวรู้ทันแล้วรู้ว่านี่มาจากกรรมมาจากกรรมไม่เอาไม่เอาความหลงผิดเนี่ยมันเพาเวียน่ายตายเกิดเนี่ยมันก็จะล้างออกมันไม่เอาไม่ยึดว่าเป็นเรามันก็ไม่บันทึกไว้ นี่แหละแก้กรรมวิธีแก้กรรมไม่มีวิธีอื่นนะโอ้ยเดี๋ยวนี้ไปแก้กรรมไปบวงสวงไปถวายนูน่นถวายนี่ไอ้วิธีแก้กรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยดูสิลึกซึ้งขนาดไหนอะ่ะรู้เข้าไปถึงรายละเอียดการทำงานของระบบของกรรมเลยนะมีใครบ้างสอนในลึกซึ้งขนาดนี้มันบันทึกไว้บันทึกไว้บันทึกไว้ ตั้งแต่คุณภาพของกายคุณสมบัติของจิตมันบันทึกเอาไว้หมดถ้าใครไม่รู้นี่ก็หลงไปทำกรรมก็ทำกรรมไม่ดีทำกรรมไม่ดีบันทึกไว้ไม่ดีเกิดอีกก็โอ้ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเศษบาเศษกรรมตามมาขี่โกดขี้โลภขี่หลง สร้างกรรมต่อไปนอกจากคนที่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้าทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้านี่หละมันก็จะเริ่มเข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองวิชาการในปัจจุบันมันก็จะมาคนา้นคว้าแต่ปลายเหตุนี่แหล ะ, ะระบบร่างกายก็แค่ว่าเอมันทำงานยังไงไร่างกายเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บ อะไรเพราะอะไรส่วนไหนมันบกพร่องนี่เขาศึกษากันหมอเขาก็ศึกษาแบบนี้ศึกษาระบบของร่างกายแต่ไม่รู้ว่าลึกๆมันมาจากกรรมของเขาโรคบางอย่างรักษาได้โรคบางอย่างรักษาไม่ได้เพราะกรรมบังคับไว้ยิ่งบางโรคไม่มีเจ้ากรรมในเวร้วยนะมันมาจากกรรมไง บางทีไปทําอะไรเบียดเบียนสัตว์อื่นเอาไว้อ่ะโอหมันก็เก็บด้วยนะมันมีการจองเวรกันด้วยนะเวียนว่ายตายเกิดมาพอดีมาเจอกันชาตินี้เราก็อาจจะเป็นคนไอตัวนั้นก็อาจจะเป็นพวกวิญญาณมันจําเราได้ที่นี่หรือเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ตามเถอะมันก็พอมาเจอกันที่นี่มันก็ไอรรมมันไม่เว้นนะที่นี่มันทําให้เกิดความรู้สึกคอยไปตามกรรมนั่นแหละ การที่เคยทำมานั้นบางทีมันทำไม่ได้มันก็ไปหาไปหาเชื้อโรคมามันไปดึงมาเอามาใส่ก็ได้ด้วยโอ้ละเอียสาราพัดทีนี้เรื่องร่างกายเนี่ยก็ต้องพึ่งคนที่เขาศึกษาว่าอะไรพอที่จะรักษาได้อีกด้านหนึ่งก็คือต้องแผ่เมตตาอุทิศบุญไปล้างออกไปดูทีระบบของชีวิตเนี่ย ใครศึกษาคำสอนของพุทเจ้ามันจะรู้ช่องทางรู้วิธีแก้ไขโดยเฉพาะชาตินี้การกระทําของเราเนี่ยต้องให้มันดีให้มันถูกต้องแล้วเพราะเรารู้ว่ากรรมมันบันทึกเอาไว้มันบันทึกเอาไว้ว่าต้องสร้างกรรมใหม่ต้องเป็นกรรมดีเท่านั้นกรรมไม่ดีต้องไม่เอาแล้วเพราะอะไรมันจะต้องให้ผลแน่แมันบันทึกเอาไว้ละเอียดมากลองลงว่าธรรมปั๊บลงใบเนี่ยมันบันทึกทันทีทั้งดีและไม่ดีจากนั้นก็ส่งผล ให้ไปเสวยผลกรรมนั้นคุณสมบัติของร่างกายคุณสมบัติของจิตใจเนี้ยมันได้มาจากกรรมนี่แหละผลกรรมในอดีตนี่มีอิทธิพลมากคอยบงการคอยบัญชาการคอยบังคับคอยควบคุมอยู่ถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมนี่เราจะสามารถหาทางออกจากกรรมได้ต้องไม่ทำกรรมที่ไม่ดีสร้างกรรมดีแล้วโดยเฉพาะต้องมาเจริญสติรักษาจิต เพื่อที่จะรู้เท่าทานกรรมที่มันจะให้ผลเป็นวิบากปั๊บเกิดขึมามันอยากโกรธขุมไว้ขุมไว้ล้างออกไม่เอาไม่เอาถ้าเราไปเพิ่มกรรมโกรธบ่อยๆเอาอีกโลภมากๆทำความเข้าใจเรื่องชีวิตแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแค่อยู่ไปชั่วคราวเฉยๆเดี๋ยวก็ตายละเพราะนั้นเออมันไม่จำเป็นสำหรับเราไม่ได้ก็ไม่ตายเอาแค่มีชีวิตอยู่ได้ แต่ให้เรามีโอกาสได้ฟังทำได้ปฏิบัติทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหาทางออกจากกรรมก็ดีกว่าแต่ถ้ามันอยู่ในขอบเขตเพราะเรายังมีชีวิตอยู่อะ่ะมันถูกต้องมันอยู่ในขอบเขตของธรรมะเออไดอ้มันก็มีว่าเออมีขอบเขตของมันอยู่นะอยู่ในขอบเขตของธรรมะแล้วได้หมดอะ่ะทีนี้มันนอกขอบเขตของธรรมะที่นี่มันกลายเป็นส่วนเกินไปมันไม่จําเป็นเราไม่ต้องไปเสียเวลากับมันมาก ทำไปแล้วมันก็เป็นผลเป็นวิบากให้ผลในชาติปัจจุบันนี่ถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมอย่างเงี้ยเวลามีอะไรเราก็เข้าใจนะมันมองสัตว์โลกก็มองด้วยความเข้าใจโอ้ยกรรมมันบังคับอยู่มันคอยบัญชาการเขาก็ต้องไปตามกรรมมนุษย์ก็เหมือนกันอะ่ะมลนก็หนีไม่พ้นอ่ะกรรมมันควบคุมอยู่ อดี๋ยนี้คนศึกษาเรื่องกรรมก็ไปศึกษาแบบไม่เข้าใจอะ่ะไปหลงไปกลัวกรรมอีกนะพ อ, อมีอะไรไม่ดีมากก็โอ๊ยกรรมอะไรเนาะมัวแต่ไปสนใจว่ากรรมอะไรกรรมอะไรเรื่องกรรมที่พรพุทธเจ้าบอกว่าเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าใครไปคิดแต่เรื่องกรรมมากๆไม่ทําความเข้าใจเพื่อที่จะหาทางออกจากกรรมอะ่ะ ไปคิดแต่ว่าเราทํากรรมอะไรไว้บ้างชาติไหนทํากรรมอะไรชาติไหนทํากรรมอะไรอย่างนี้ไม่ได้มันเกินวิสัยของเราที่จะไปรู้แต่ถ้าเออพระเจ้าบอกว่าเอาไปทางออกจากกรรมเนี่ยต้องมีสติรักษาจิตแล้วให้จิตมันเข้ามารู้รู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอะ่ะเราเข้าใจเรื่องอํานาจของกรรมแล้วนี่มันไม่ใช่เรานะความรู้สึกโกรธปุ๊บขึ้นมาเนี่ย โ, โกรธขึ้นมาอย่างนี้ อันนี้เป็นวิบากเป็นผลของกรรมเรารู้แล้วนี่โอ้อันนี้ผลของกรรมเหรอเอาเคยสร้างกรรมมาเคยโกรธมาบ่อยๆมันเลยทําให้โกรธปกโกรธหน้าก็บึง้งขามึงทึมการกระทำออกมาก็ไม่ดีคําพูดก็ไม่ดีโอ้ยบางคนโกรธจัดๆนี่มันมันลืมตัวเลยนะคมไม่อยู่เลยครไ ม, ม่อยู่ยิ่งสร้างกรรมหนักกว่าเก่ามีแม่ชีตอนนั้นเราก็อยู่ที่นี่หละหลายปีมาแล้วนะ แมชีนู้นข้ามมาจากฝั่งลาวเลยนะเขาได้ยินได้ยินว่าเราอยู่ที่นี่ก็มามากราบเขาก็สารภาพว่าเขาเนี่ยโอ้โหโกรธคุมตัวเองไม่ได้เลยแาว่าเวลามันโกรธไปแล้วก็แสดงออกไปแล้วก็ทุกทีหลังที่นี่เราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยแต่มันออกไปแล้วแกว่าเวลามันออกคุมตัวเองไม่ได้ มีไม้มีก้อนดินก้อนหินมีดพ้ากว้างเลยฟันกันเลยมันก็เป็นกรรมที่ไม่ดีด่าทอพูดออกไปการกระทำคาพูดทีนี้มาบวชชีแล้วก็อยากออกก็มาถามว่าจะออกได้ยังไงอ่ะไม่อยากโกรธก็เลยบอกว่าเออความโกรธนี่มันไม่ย่อยละได้ไง่ายๆนะมันนี่มันระดับพระนาคา ม, มีนะ ถึงจะละความโกรธได้หมดจดอะแต่มีวิธีบรรเทานะต้องบรรเทาก่อนบรรเทาคือยังไงก็ต้องเจริญสติฝึกสติพยายามรู้เท่าทันจิตของตัวเองเวลามันโกรธขึ้นมาถ้ามันแสดงออกไปแล้วแล้วไปถ้ามีสติรู้ทันเมื่อไหร่หยุดพยายามอยู่อย่างนั้นอะมันจะค่อยเบาลงลดลงลดลง เราก็รู้แล้วว่าเราเป็นผู้ทุชนธรรมดามันล้างไม่ได้มันยัต้องมีความโกรธเน่ยเมื่อโกรธออกมาก็พยายามให้มันดับได้เร็วขึ้นอะ่ะถ้าสติเราค่อยส่องดูมันมันจะค่อยเบาลงเพราะเราไม่ยึดมันไม่คิดว่ามันเป็นเราอะ่ะเราดูเฉยๆนี่แหละตัวสติเนี่ยมันจึงมีความสำคัญมากต้องฝึกบ่อยๆต้องพยายามบ่อยๆเนี่ยต้องรู้เท่าทันมัน เนี่ยในจิตของเรามันสะสมกรรมมากมายเพราะฉะนั้นถ้ามีสติรู้ทันเมื่อไหร่มันจะล้างกรรมออกไปสติเรามากที่นี่สติมากก็ทําให้จิตของเราเนี่ยมันเห็นอารมณ์พวกนี้ได้เร็วได้ชัดเจนแล้วมีสมาธิทําให้มีกําลังมีปัญญาเห็นว่าพวกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เรา มันเป็นวิบากเป็นผลของกรรมเนี่ยดีเดี่ยงไม่ได้มันต้องมีคว า, ามโกรธนี่มันต้องมีเพราะมันเป็นวิบากเป็นผลของกรรมเราหาทางออกจากกรรมพยายามสร้างกรรมดีแล้วก็พยายามมีสติ ร, รักษาจิตไว้แล้วก็ต้องเห็นอาการของมันหน้าตาของมันดูเฉยเๆยมันจะค่อยเบาลงเบาลงน้อยลงลดลงลดลงต่อมาเราก็คุมมันได้ ไม่แสดงออกมันปุ๊บป๊บอยู่ในจิตไม่เป็นไรอะ่ะเอาแค่มันอยู่ในจิตสะก่อนอย่าให้มันหลุดออกมาเพราะถ้าหลุดออกมาแล้วโอยเราเนี่ยกลายเป็นกายกรรมวัชีกรรมมนโนกรรมครบเลยนะอืมแต่ถ้าหากว่าเราคุมมันได้ดับละอากายกรรมไม่เกิดละวัชีกรรมไม่เกิดเอามนโนกรรมไม่เป็นไรคุมข้างในก่อน แต่ว่ามันจะเบาลงท่านเปรียบเหมือนเสือเสือเราฆ่าเสือไม่ได้ขังกลงไว้ขังเสือเอาไว้ไม่ให้มันไปกินเหยื่อไม่หเหยื่อไม่ให้อาหารมัน ค, มคุมไว้คุมไว้คุมไว้มันก็จะผอมลงผอมลงผอมลงแล้วก็ตายพวกความโกรธความโลภพวกอาการที่มันไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเรารู้แล้วมันเป็นวิบากเป็นผลของกรรมเรายัางละมันไม่ได้ไง่าย แต่อาศัยสติคุมไว้คุมไว้มีสมาธิด้วยมันจะได้มีกําลังคุมได้จากนั้นปัญญาส่องดูส่องดูเห็นเห็นเห็นมันผอมลงสั้นลงสั้นลงเสร็จแล้วก็ตายไปอ๋อมันไม่ใช่เราเนี่ยแต่เห็นมันดับไปอ่ะเห็นมันตายเห็นมันดับไม่ใช่เรามันก็ค่อยหลุดไปหลุดไปหลุดไปแยก้ก็นานกว่าจะดับต่อมาก็ค่อยๆดับเร็วขึ้น แต่อย่าไปให้เหยื่อให้อาหารมันนะให้อาหารคือแสดงออกตามมันไงไปทําตามมันเวลาโกรธขึ้นมาอยากแสดงออกก็แสดงออกทางกายบ้างทางคาพูดบ้างโอยอย่างนี้ดับไม่ได้เพราะเราเสริมมันอยู่อ่ะแต่ถ้าจ้องนิ่งแล้วก็ดูดูโอ้เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เบาลงด้วยล้างกรรมออกไลยด้วยใช้กรรมไปด้วย อย่ที่มันบีบขั้นมันทุกนีละนี่ล ะ, ล ะ, ละกรรมใช้กรรมแล้วออมันเจ็บปวดขึ้นแต่มันก็เป็นการใช้กรรมของเราเองไม่ไปสร้างกรรมใหม่แต่สร้างกรรมใหม่เอาอีกแล้วพัวพันไปอีกบนเรียนอย่างนี้ละเพราะว่ามันมีกรรมแล้วมันก็เลยพาให้ไปเกิดโลกก็ตามหลงก็ตามโกรธก็ตามค น, นที่มาฟังธรรมนี่ก็นี่มันก็เคยเคยฟังธรรมมาเห็นคุณค่า พอฟังธทำแล้วไม่รู้เข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองทําให้รู้สึกว่ามันสบายใจขึ้นมามันเข้าใจเรื่องของตัวเองขึ้นมามันก็รู้วิธีที่จะแก้ไขกรรมให้มันเป็นกรรมที่ดีขึ้นมามันก็พยายามที่จะละกรรมไม่ดีมันไม่ใช่ละได้ง่ายๆนะมันสังสมมานานจนเป็นนิสัยเวลาปั๊บขึ้นมาตัวตัณหามันคอยบงการอยู่ความหลงมันมีเนี่ย เออเอางั้นสิทําเพื่อเราเนี่ยไม่ได้อย่างที่เราต้องการก็โกรธเนี่ยถ้าได้มก็หลงไปโลภขึ้นมาอีกดูสิหนิโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นเพราะนั้นมีทางเดียวต้องเจริญสติมากๆสติแล้วก็พยายามควบคุมจิตให้ทันก็พยายามไปเรื่อยๆพอสติเราดีขึ้นสมาธิ ด, ดีขึ้นปัญญามันก็จะส่องเห็นต้องมีปัญญาด้วยนะ ไอตัวปัญญาเนี่ยมันนําพาให้จิตเนี่ยตัววิญญาณเนี่ยตัวจิตหรือตัววิญญาณเนี่ยเข้าไปเห็นเห็นว่าไอสิ่งที่มันเกิดเนี่ยเดี๋ยวก็ดับได้นี่วิธีแก่กรรมแบบต้องไม่ยึดว่าเป็นเรานะมันเป็นผลของกรรมเป็นวิบากของกรรมหรือเป็นความเคยชินของจิตเราที่มันสะสมเอาไว้แต่เราตั้งใจจะล้างมันออกก็ต้องไม่ทําตามมันนี่ไปทําตามมันในล้างไม่ได้ ไปทาตามมาในสร้างกรรมใหม่นี่แหละ ว, วิธีออกจากกรรมวิธีแก้กรรมส่วนทางร่างกายอาศัยจิตของเราทำกรรมดีพาร่างกายทาดีไปสิ่งไม่ดีไม่ทำละไวยพูดละสิ่งไม่ดีไม่พูดละไม่ดีทั้งหลายไม่แสดงออกอานาจของกรรมดีมันก็มันต่อไปมันจะได้ร่างกายที่ดีแล้วทีนี้มันจะเปลี่ยนแปลงละสัตว์ก็มีเมตตา ต่อคนอื่นสัตว์อื่นช่วยเหลือสัตว์อื่นมีสัตว์สมกรรมดีมีเมตตาเผื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเรามีความสามารถด้านไหนช่วยไปท่านที่พระพเจ้าบอกว่าเป็นฝ่ายกุศลฝ่ายดีกรรมดีก็บันทึกไว้ที่นี่บันทึกสิ่งดีๆเอาไว้ในจิตใจแต่กรรมดีอย่างเดียวก็ไม่สามารถออกจากกรรมได้ยึดกรรมดี ดีนี่ยพาวนเวียนเกิดแล้วก็ทําแต่กรรมดีกรรมดีกรรมดีเกิดชาติไหนกรรมกรรมดีออกจากกรรมไม่ได้ก็ต้องมีสติอีกรู้เท่าทันออมันอยากทําดีก็ต้องรู้ด้วยนะบางทีอยากทําดีดีมากไปก็ไม่ไหวอีกอติดดีอีกปุ่งแต่งขึ้นมาวนเวียนอยู่ในจิตอีกอ่ะ พอจะทํากรรมดีมันต้องคิดเหมือนกันปรุงแต่งแต่มันปรุงแต่งในทางดีมันก็ดีกว่าปรุงแต่งทางไม่ดีอย่างผู้เจ้าอังสอนว่าไ อ, อ้สิ่งไม่ดีนี่ไม่เอาก่อนทิ้งเลยสิ่งดีนี่เอ อ, เ อ, อทำทำทำอาศัายความดีซะก่อนเพราะว่ามันเป็นฝ่ายกุศลมันทําให้จิตของเรามันจเจริญขึ้นมาอาศัายความดีแต่สุดท้ายก็ต้องมามีสติรู้ทันอีกเออ ทำไมงั้นก็พาวเวียนไหว้ตายตเกิดอีกบางคนเกิดมามจริงไม่เหมือนกันอะ่ะอยู่ที่ว่าสะสมกรรมแบบไหนมามันก็พาวนเวียนถ้ายังไม่ออกจากกรรมเราไปยึดหนุ่นยึดนี่มันก็เป็นตัวเราเป็นกล้งเราทําอะไรดีทาดีก็เป็นเราทําไม่ดีก็เป็นเราสงบก็เราสงบมันไม่ออกจากกรรมนี่มันก็เลยวนเวียนแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเออมันโผล่มาโอ้ยนี่ผลของกรรม รู้ทันวางเป็นกลางรักษาจิตเป็นกลางไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรเกิดขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนี่แหละใช้กรรมกรรมก็เบาลงเบาลงเบาลงเออปัญญาก็พาจิตเห็นเห็นเห็นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเนี่มันต้องไปถึงเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นผลของกรรมหรือว่าเป็นธรรมชาติ ม, มีร่างกาย มันก็ต้องมีมันมีเหตุมันก็จะเกิดขึ้นเข้าใจระบบระบบของธรรมชาติพอมาเกิดปัจจุบันแล้วมันส่งมาแล้วมันคอยบัญชาการคอยควบคุมอยู่แต่เราสร้างกรำใหม่ที่ดีที่นี่สร้างกรำใหม่ที่ดีโดยเฉพาะกรำใหม่ที่สูงที่สุดเลยก็คือมาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า มันพาเราออกจากกรรมอยู่เหนือกรรมพ้นกรรมแต่ต้องมาเจริญสติมันมีทางออกถ้าไม่มีทางนี้มันออกไม่ได้อะไม่มีทางอื่นหรอกศาสดาองค์ไหนก็ตามไม่มีใครสอนตรงนี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าอาศัยสร้างบา ร, รมีายาวนานนานแสนานานจึงจะพบคาตอบมีทางออกได้ต้องเป็นมนุษย์เป็นเทวดา พอฟังธรรมะเข้าใจพบทางออกเพราะฉะนั้นจึงว่าคนที่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงได้สิ่งที่มีค่ามากที่สุดหาได้ยากที่สุดโดยเฉพาะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นสิ่งหายากที่สุดในโลกพบพระพุทธศาสนาหายากที่สุดในโลกเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสหายากที่สุดในโลก ได้บรรพชาได้อุปสมบทโหบวชทั้งกายทั้งกายยิงสุดยอดหายากที่สุดในโลกเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้บวชกายบวชใจเอาจิตเอาใจมาบวชก็คือมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าบวชใจปฏิบัติที่จิตใจถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ยังแค่สมมุติว่าได้บวชเฉยๆสมมุติทสงเนี่ย แต่พูเจ้าเรียกว่าสาวะกสังโคสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่เราสวดสวดอยู่ต้องมีสคู่8บุคคลเนี่ยสคู่คืออะไรโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลนี่หนึ่งคู่แล้วนะหมายว่าต้องบรรลุมักต้องเจริญมักนี่เราปฏิบัติเนี่ย เป็นทางเรียกว่าเป็นการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยเดินตามทางของเยาาโดยตรงเลยนะจนกระทั่งเจริญสติไปสติมีกำลังขึ้นมาคุมจิตได้จิตมีกำลังเห็นเห็นมีปัญญาเกิดขึ้นเป็นส ม, มาธิเห็นรู้ความจริงเห็นความจริงว่าเออระบบของกายระบบของจิตเนี่ย มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยพูดเย่อเย่อเลยนะหมายว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปผ่านมาผ่านไปมาจากอานาจของกรรมเก่ามันให้ผลเฉยเเราก็มายึดว่าเป็นเราได้เนี่ยสัมมาทิฏฐิคือเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นพระไตรลักษณ์แนวโลกุตระหรือเป็นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิพอมีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้สัมมาสังกปะ ความดำริชอบความคิดก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะที่นี่ไอ้ที่หลงยึดว่าเป็นเราเป็นของเรา ก, ม, ก ม, มันไม่ใช่แล้วเห็นว่าไม่ใช่แล้วนี่ว่าอยากออกนี่พยาบาทเกิดขึ้นมาโอ้ยไม่ใช่เราไม่ใช่เราทำกัละความพยาบาทเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นมันก็โอยไม่ได้ไม่ได้เห็นแล้วเห็นแล้วมันโผล่มา ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอารมณ์นั้นน่ะเดี๋ยวก็เกิดดับไปเนี่ยสมาสังกับป่ามันไม่เอามันอยากออกอยากออกไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากเบียดเบียนแต่ถ้าหาว่าในมักรในมักรจริงจริงมันอยากเป็นอิสระ เวลาอยู่ในมรรคนี่มันไม่สนใจอย่างอื่นแล้วมันอยากพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้อยากเป็นอิสระผมก็ปล่อยวางอย่างเดียวอะเนี่ยมรัรรคมันมีกำลังแล้วนะทีนี้ดำเนินชีวิตไปก็ต้องมีศีลทีนี้สัมมาวาจานาต้องมาระวังคาพูดในชีวิตประจำวันในดำเนินชีวิตไปเนี่ยแต่ถ้าในมรรคแล้วมันมัน มันเป็นล้างกันเลยมันไม่เอาเลยแต่ถ้าว่าจะมาอธิบายกันในสัมมาวาจา์เอามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตไม่กล่าวเท็จไม่พูดซอเสียดไม่พูดยายาขายไม่พูดเพ้อเจอ้อมีสะสมเอาไว้ในจิตเหมือนกันพวกนี้การที่จะทำอย่างนี้ได้ก็มีความเพียรมีสติมันก็มักประกอบด้วยมักองค์อื่นเข้ามา สัมมากรรมมันโตทางกายกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีว์ก็ น, นี่แหละไม่ใช้วาจารที่มันไม่ถูกต้องนี่แหละไปเพื่ออาชีพทางร่างกายก็เว้นไม่ใช้กายเนี่ยไปทำความผิดเป็นมิจฉา กรมันโตแต่ในทางอาชีพเน่เวลารายละเอียดขึ้นมาเพราะั้งการดำรงชีวิตก็เลยต้องถูกต้องไปด้วยกันเพื่ออาชีพก็ต้องไม่โกหกเพื่ออาชีพไม่เที่ยวลอกลวงไม่พูดจาส่อเสียดเพื่ออาชีพไม่พูดจาหยาบคายเพื่ออาชีพเพ้อเจ้อเพื่ออาชีพเนี่ยมันเป็นสมาอาชีว ร่างกายก็ไปฆ่าสาัตว์เพื่ออาชีพไมเป็นลักทรัพย์เพื่ออาชีพเพื่อการดำเนินชีวิตไม่พิจเป็นในการมเพื่อดำเนินชีวิตมันก็จะประกอบเป็นอาชีพสัมมาอาชีโวขึ้นมาเพราะฉะนั้นในสัมมาอาชีโวเนี่ยมันจึงตงไม่โกหกไม่หลอกลวงต้มตุนไข่ไม่คอรับชั้นมันก็จะเป็นอริยมรรคขึ้นมา มันก็เข้าไปอยู่ในจิตนี่เพราะมันต้องมีความเพียรมีปัญญามึงทําได้นะต้องทําให้ปฏิบัติเอาไม่อยู่อะ่ะทีนี้ก็มาเจริญสติสัมมาวายามโมฝ่ยายมีความเพียรเจริญสติสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิกายเป็นอริยมรรคือมาในจิตพอมรรคมันมีกําลังก็ส่องเห็นเลยนะที่นี่เห็นเห็นเวลาพูดในแง่ของการปฏิบตัตินี่สติคุมจิต มีกำลังแล้วก็สมาธิเป็นหลักแล้วที่นี่ที่แรกสติจัดแจงก่อนเอาจิตกลับเข้ามาเข้ามาเข้ามามาอยู่กับตัวเองเพออยู่ตัวเองแล้วก็เป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิขึ้นมาแล้วก็ถ้าจิตใค้ยอยู่เนียมันจะตัวสติเนี่ยมันแฟงอยู่อะสมาธิเป็นศูนย์รวมที่นี่ทุกอย่างมารวมลงในจิตโดยอาศัยสมาธิเป็นตัวนาเป็นตัวหลัก้าไม่มีสมาธิจิตไหลออกไปข้างนอกหมด แต่ถ้ามีสมาธิปั๊บจิตกลับเข้ามาสติก็ดีขึ้นด้วยสมาธิก็ยิ่งดีขึ้นเพราะตัวอื่นประกอบวิทยะความเพียรก็อยู่ในจิตจิตมันก็จะมีความเพียรมีกำลังขึ้นมาเห็นก็เป็นสมาธิทิความเห็นถูกเห็นตรงล้างความเห็นผิดๆออกไปมันก็เห็นตรงจริงๆก็คือเห็นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้มันยังมันยังไม่ใช่ปัญญาจริงๆอ่ะผลการที่อบรมจิตว่าเออมันไม่ใช่ของเราเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยก็เพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิเพื่อให้จิตมันส่องเห็นข้างในองนอกจกมันเห็นว่าไม่ใช่ของเราล่ะนี่แหละสัมมาทิฏฐิเป็นแนวโลกุตตะละแต่สัมมาทิฏฐิแนวโลกิยะ ที่จะให้มีชีวิตยอยู่อย่างมีความสุขเออทานให้ผลทําความดีให้ผลนี่สอนกันเออได้บุญพาไปเกิดดีๆก็ต้องเอาแนวนั้นไปก่อนเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นมันก็เลยเพื่อให้อยู่ในโลกได้โลกเราก็จะได้มีความสุขอยู่กันแบบสงบร่มเย็นแต่ถ้าหากว่ามันลึกเข้ามาแล้วที่นี่ มันต้องอีกระดับหนึ่งแล้วนะสมาธิต้องมาเห็นเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราเห็นพระไตรลักษณ์นี่คนละระดับแลวนะเพราะนั้นพูดในแนวโลกุตระกับพูดในแนวของโลกียะมันก็เลยเป็นระบบศีลธรรมไประบบจริยธรรมเพราะว่าจิตของคนเรามันยังไม่ถึงขั้นพูดไปรับไม่ได้แต่ถ้าหาว่าเออมันสูงขึ้นมาแล้วนี่ต้อง ให้จิตรู้ความจริงเท่านั้นจึงจะเป็นทางออกพอมันออกจากกรรมได้สมาธิแนวโลกิยะมันก็ยังวนเวียนอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในระบบของกรรมแต่ระบบโล ก, กุตระนี้ออกจากกรรมอะไรโผล่มากไม่เอาไม่เอารู้แล้วก็เห็นมันเกิดเห็นมันดับนี่ใช่เลยนั่นหละมันเริ่มออกจากกรรมแล้วเริ่มพ้นการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว มีสัมมาสมาธิต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักสมาธินี่มันทำให้อารมณ์อื่นๆดับไปมันไม่มีอารมณ์มืดลบกวนเหมือนน้ะน้ากักน้าไว้ขังน้าไว้ตะกอนอะไรที่อยู่ในน้ำก็เริ่มตกตะกอนน้ำก็ใสน้ำใสน้ำนิ่งเนี่ยสมาธิมันนิ่งใสไม่มีคลื่นไม่มีลมไ ม, ม่อะไรบรบกวน มันก็มองเห็นอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็เห็นในจิตเนี่ยเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเห็นตรงความเป็นจริงมันต้องอาศัยสมาธิปัญญาก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งปัญญาก็ทําให้จิตปล่อยวางได้ล้างกรรมออกไปละไมยึดมัน่นถือมัน่นนี่ละจนกระทั่งบรรลุมรรคได้บรรลุมรรคปับ๊บตัดสินลงไปไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเหล่านี้เป็นพระโสดาบันแล้วนั่นเนี่ยรักสักยะทิฏฐิได้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งมันยังเชื่อในคำสอนของผู้เจ้าสนิทใจลองว่าผูเจ้าสอนอะไรแล้วจริงหมดเพราะนั้นทำอะไรก็ตามต้องมีเป้าหมายเพื่อออกจากทุกข์รักษาศีลก็เพื่อออกจากทุกข์เพื่อรักกิเลสตัณหาอุปาทานปฏิบัต ก็เพื่อออกจากทุกข์ไม่ใช่ลูกๆคำคำปฏิบัติเพื่อให้มีบุญไปเบียนหว้ตายตเกิดเนี่ยเนี่ยระดับพระโสดาบันไม่เอาแล้วมันจะเป็นขึ้นในจิตแล้วรู้ทางออกแล้วเห็นทางชัดเจนแล้วเพราะมันเห็นอยู่ตลอดไม่มีอะไรเป็นของเราปล่อยมันวางเจ็บปวดขนาดไหนมันก็วางได้ค่อยๆฝึกไปฝึกไป สะสมเวยนะปัญญานี่จะไปปับป๊บได้ทันทีเลยก็ไม่ได้ค่อยํำไปทําไปค่อยเห็นไปแจ้งไปชัดไปเพราะเวลาจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมามันต้องมาให้จิตมันมองเห็นให้จิตมันเข้าใจปับ๊บเหมือนมองดูตัวเองมองดูกายมองดูจิตทำความเข้าใจแล้วมันจึงจะปล่อยวางได้เอาสติ ด, ดีๆน ะ, ะต่อไปนี้จะให้ภาวนาตามลาพังแล้วนะ พูอธิบายว่าเออสาวกสาวกะสังโคสาวกของพระเจ้าจริงๆอ่ะมายถึงสี่คู่มังวดโสดาบันสกทาคามีอานาคามีพ่อลหลานโซดากับโสดาปฏิมักโซดาปฏิพนสกทาคามีมักสักทาคามีผลอานาคามีมักกระดังคัมีผลอาลาหัตมักอาลาหัตตผลต้องอาศัยการที่เราเริ่มชีวิตอย่างถูกต้องทําคุณงามความดีเรื่อยไปพยายามเจริญสติให้จิตเข้าไปเห็น ล้างออกไปไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางไปคลายออกคลายออกจิตจึงจะเป็นอิสระได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนินแหละประมวลเอาคําสอนของพุทเจ้าทั้งหมดต้องหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากวัตัตทุกขเพราะถ้ามีเกิดเมื่อไรต้องมีทุกเมื่อนั้นไม่มีทางถ้าเกิดแล้วไม่มีทุกเมื่อเข้าใจระบบของชีวิตแล้วก็ทีนี้เราก็จะเลือกแหละที่นี่ว่าเราจะเอาอยัางไงชีวิตของเรา ถ้าใครพอใจยังเวียนไหวตายเกิดก็เอาเวียนไหวตายเกิดไปไม่ว่ากันแต่ถ้าใครบอกเกิดตายเกิดตายอย่างนี้ไม่ไหวแล้วหาทางออกดีกว่าก็เอานี่เรียกว่าทําตามพระเจ้าสอนก็คือว่าหาทางออกเถอะเวียนไหวตายเกิดไม่มีประโยชน์อะไรเกิดตายเกิดตายอย่างนี้พราะอํานาจความหลงเท่านั้นใครอยากหลงก็หลงไปแต่เราจะไม่หลงนี่คนที่จะหาทางออกก็คือว่าเราจะไม่หลงอีกต่อไปแล้ว ถึงไม่ได้ชาตินี้ก็จะต้องพยายามต่อไปชาติต่อไปยังมีชาติต่อต่อไปยังมีอย่างนี้คนมีปัญญาเพราะโลกอันนี้เกิดเพราะอำนาจของความหลงหลงแล้วก็ภาวะทำอะไรเพื่อตัวเราหลงยึดว่าเป็นตัวเราวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าเราจะมารู้แจ้งความจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเลยจิตจึงจะปล่อยวางเป็นอิสระได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมองดูโลก โลกแห่งความหลงอันนี้มองเห็นหมดละโอ้ยมันต้องมีปัญหากันเพราะมันหลงเพราะความหลงก็สร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาปรุงแต่งกันขึ้นมาแล้วโอ้ยถกเถียงกันอยู่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยเพราะมีความหลงอยู่อ่ะพากันทํากรรมกันอยู่อย่างเงี้ยเวียนไหวใจเกิดอย่างเงี้ยดูข่าวดูข่าวอะไรก็ตามเถอะมันก็โอ้ยมันมองเห็นอะ มันเข้าใจเรื่องจิตเรื่องใจแล้วมันก็เลยเข้าใจเรื่องของชีวิตนี่เขายังไม่เข้าใจก็เอาลงทำกรรมกันไปเวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างเงี้ยแต่เข้าใจแล้วก็เอาผลแล้วไม่เวียน่าวตายเกิดแล้วก็เอาจบไปขายยาจะลงต่อไว้ก็ลงขายอยากหาทางออกก็หาทางออกเสียในเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้ว จะเชื่อพูทธเจ้าหรือเชื่อความหลงของคนนั้นคนนี้ก็เอาเลือกเอามันก็เลยเป็นอุเบกขา่มันไม่ไปอะไรมากมายอะ่ะก็ทำหน้าที่ไปพระพุทธเจ้าท่านก็สอนประกาศความจริงให้รู้ใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วไปเราเป็นสาวกเราปฏิบัติตามรู้ตามเห็นตามแล้วก็เอา้าช่วยต่อไปอีก เนคุณของพุทธเจ้าจึงยิ่งใหญ่คุณของพระธรรมจึงยิ่งใหญ่คุณของพระเดียส่จึงยิ่งใหญ่เพราะอาศัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้คำสอนของพมุทธเจ้าจึงสืบทอดมาถึงพวกเราทำให้เราได้ยินได้ฟังส่วนใครจะเอาขนาดไหนนั้นเราเป็นหน้าที่ของแต่ละคนเอาก็ได้ไม่เอาก็ไม่ว่ากัน เลือกเอาพมเป็นมนุษย์แล้วพบคาสอนของพระาศาสดาผู้ที่ไม่มีทุกข์ในพระไทยแล้วสะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วจะเอาหรือไม่เอาเป็นเรื่องของเราเองถ้าจะเอาทํำยังไงคาสอนมีบอกเอาไว้จะเอาเล็กเอาน้อยพอได้สร้างบรารมีพอเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็เอาไม่ว่า ก, กาันผมจะเอาเต็มกำลังละพยายามเต็มที่ละ ชีวิตนี้ชาตินี้พยายามให้เต็มที่ก็เอาบางคนก็เอาเอาให้ได้ชาตินี้อเอาเลยพราะมีผู้ที่เอาทําได้แน่นอนสาวกของพุทธเจ้าในอดีตก็ทําได้ปัจจุบันก็ทําได้เราคนหนึ่งต้องทําได้สิเงี้ยถ้าอย่างนี้แสดงวารมีแก่กล้าแล้วเดแต่ต้องทุ่มเทต้องปฏิบัติ จะเอาจะเอาแต่ไม่ปฏิบัติเดไม่ได้อีกเนะปฏิบัติกให้ตรงที่นี่ทางไหนของมุทธเพ้าพอมาตรงทางแล้ว เ, เดินเดินไปวันใดวันหนึ่งมันต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนเอาต่อไปนี้ก็ให้ปฏิบัติไปตามลำพังนะ